ลูกศิษย์หลวงพ่อเถียนอยู่ทั่วประเทศมารวมกันในวันหลังกั น, นตัดสลูกมารวมพลังกันสีน่สิบคนหลังจากที่พวกเราได้ออกเผยแพร่ทำทั่วทั่วไปตามทิ่นที่ต่างๆตั้งแต่เดือนธันวาพฤกจิกาธันวามาเข้ามาจบลงวันสองวันนี้เราทําวิสาขะที่วัดของตนของตนก ข, นขมารวมกันที่นี่เพื่อเฉลิมในจิตการอันนี้ประกาศ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 มันก็ชำนาญเป็นฝีมือปาเนียดได้ถ้าใช่ใหม่ๆก็ทำไม่เป็นการมีสติการใช้สติเนี่ยมัน ช, ชำนิชนาญจนเกิดศิละปะเรียกว่าศิละปะของชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ผดผ่องงดงามที่สุดจนเห็นแจ้งท้าม่วงจากความเมิดบอดของชีวิตเราทำไมจึงไปหลงไปทุกข์ไปโกรธไปโลภไปวิตกรรมวลนเศร้าหม อ, อ ง, องเพราะเราไม่มีเราไม่ใช่สติ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 พบาสกบาจิกาสามเณรแม่ขีมารวมกันดูมาพิสูจน์กันดูมารับรู้รับทราบกันเรื่องนี้ดูอยอาปล่อยป่าละเลยให้ใครคนใดคนดังจึงมาวิธีอื่นไม่ได้จะมอบไปกันบ้าเหมือนของฝากรับเิงเงินทองต้องเป็นของส่วนตัวต้องทำอย่างนี้ไม่มีวิธีใดต้องมาจุ่มเงามาต่อเอาเอากายเอาใจมาต่อเอา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 ก็ขออาลญาตคุหมอชนเสรีคุณหมอประจักรคหมอประจัก์เออดีดีก็เลยมีครงการห้านาทีทองก่อนจะจะขาดเราจะไปดูแลคนป่วยแล้วไปทํามาแล้วอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่บอตตันลงพยาบาลบอตตันไปดูคนป่วยไปสอนคนป่วยถ้าเราก็เป็นชาวพุทธก็พุทธังสัลังกะชามิข้าพเจ้า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 เราลักประเทศชาติเราลักธรรมชาติที่สุดอยู่ที่นี่แม่เห็นลอยน้มไหลเขไม่อยากเห็นแล้วถ้าน้ามันไหลไม่มีกักขังไม่ดูดจมแล้วไม่จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะไปท่วมไร่ท้อมนาเขาไม่อยากเห็นน้มไหลอย่าไปขุดคลองให้น้ำไหลเด็ดขาดอย่าไปทารอยจอบรอยเฉียมบนแผ่นดินนี้ที่อื่นเราห้ามไม่ได้ขอห้ามที่นี่นะตอนไมตอนใดที่ไม่ควรจะไปตัดนันก็อย่าไปตัดาง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 ไปทั้งคืนป <ia> ่าบางทีพวกกันได้เสือเจอเจอเสือทังไงอ้าวมันนั่งเฝ้ากันทำไมอดีขอบคุณนะก็นอนอยู่กอนทั้งอยู่เสืออย่าว่ามันทำอะไรทำใจทำใจอยู่ป่าอย่าลูกดีลโกหลนสงบเยียมสักหน่อยไม่แมตตากนาไว้ในใจเสมออย่าเอาชอบอะไอยชอบเห็นว่าทฟนแมงก็ชิดโกรธขึ้นมา